วันนี้ก็ขอสรุปสังโยกสามเบื้องต้นเอกมัน hey, มีเบื้องต้นต่งางๆงมกลยนะคือว่าพระโสดาบันเนี่ยมีสามขั้นขั้นที่หนึ่งเอกวิชีขั้นที่สองกู ล, ลังกุลละขั้นที่สาสตาธธัตตถะทุตประมะพระเอกวิธีก็มีจีดละเอียดมาก ตายจากความเป็นคนเกิดเป็นเทวดาหรือพมอีกครั้งหนึ่งแล้วลงมาเป็นคนก็เป็นพระราหันถ้าขั้นโกรังโกละเป็นเทวดาหรืพมสามครั้งเป็นคนสามครั้งเป็นพระราหันถ้าสตาสตุปรรมต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีกเจ็ดครั้งแล้วลงนรกไม่มีไม่มีไปนะเป็นเทวดาหรือพมเจ็ดครั้งเป็นมนุษย์เจ็ดครั้งเป็นพระราหัน ไม่ว่ากันตามแบบแต่ว่าถ้าเวลานี้ถ้าบุคคลใดเป็นพระโสดาบันก็ดีก็ยังไม่เป็นพระโสดาพระโสดาปฏิผลแค่เป็นพระโสดาปฏิมรคคือปฏิบัติเข้าเขตพระโสดาปฏิมรคพระโสดาบันได้จะเริ่มปฏิบัติในสังโยชนสามแต่ว่ายังไม่ครบ บางส่วนได้บางส่วนไม่ได้อย่างนีิทรรศโสดาปฏิมาศถ้าได้แล้วทั้งหมดเป็นระโซดาปฏิผลแต่ว่าระโสดาปฏิผลก็เป็นไปตามขั้นขั้นเอกวิชีโกูลังกุลัสัตตาสุตษษุราขั้นไหนก็ตามวันนี้ก็ขอสรุปสังโญญาทั้งสามวันอันสำโบสถ์สัญญาข้อแรก ที่เราจะตัดเพื่อความมีไประสดาบันก็คืนหนึ่งให้นึกถึงความตายใช่ไหมยังไม่ต้องคิดาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราถ้าลงขั้นนี้ไปรงขั้าหลานเห็นว่าร่างกายกโสโครกน่าเกลียดรังเกยียจในร่างกาย อย่างนี้เป็นลมเขาบอกว่านาคามีถ้าอรมณ์เมโสดาบันก็มีความรู้สึกแตเพียงว่าร่างกายที่มันต้องตายแลวการต่อไปก็คิดต่อไปว่าการตายก็มีสองทางที่เราจะงไปคือหนึ่งอบายภูมิจะเกิดเป็นสัตว์รกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติชานทุกบาป สองไปสู่สุขติได้แก่เกิดบนสวรรค์พรมโลกเป็นต้นและปณิพานทีดันั้นคนที่จะเป็นพระโสดาบันก็ต้องเป็นคนมีปัญญาคําว่าปัญญาก็ใช้ไม่มากที่พระเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีาะสทาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์จํา้อนี้ดีนะ อย่าเร่งรัดสมาธิมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิธิทุกคนที่ได้มโนยิธิแล้วถ้าเป็นประสูดาบันท่านเรียกว่าประสดาบันขั้นวิชาสามเลื่อปัญญานิดหน่อยอภิญญาไม่เต็มที่ถ้าวิชาสามก็เกินวิชาสาม เพราะอะไรสามารถมีทิพยานได้สามารถบรรลุชาติได้อันนี้สรงหลับวิชาสามการไปสู่ภพต่างๆเป็นเรื่องห่อพิญญาถ้าพิญญาเต็มอตราฉนั้นว่าไม่เกิดประโยชน์ถ้าฝึกไปก็เหน่อยเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามแสดง ถ้าจะเหาให้คนเห็นก็ทรงปรับเป็นโทษจะทำอะไรคนเห็นเกินปกติก็ปรับเป็นโทษในเมื่อพระพุทธเจ้าปรับพระอนิญาเจ้าทุกคนอทุกองค์ไม่ฝ่าฝืนงั้นถ้าเราได้มโนยิธิเราจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องเอาตัวไปอยากจะไปนรกก็ไปได้ไปสวรรค์ก็ไปได้ไปพุมธโลกก็ไปได้ อย่ากว่านี้ทั้งหมดจะไปโดนดาวดูไหนก็ไปได้จะไปประเทศไหนก็ไปได้ที่ไหนใครก็ห้ามเราก็เข้าได้ใส่เคจแล้วใส่กรวยแล้วเราก็เข้าได้ใช่ไหมดีกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไปส่งห้ามฉะนั้นศึกษาแค่ ม, ม, มโนยุทธิก็พอถ้าจะเรียกจะให้เต็มอัตราก็หมายความเป็นพระวิชาสามเรียกพระอภิญญาอภิญญาเล็กมาอภิาใหญ่นะ ความจริงต้องเป็นอัิญญาโริสกายทิฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องตายแต่เราก็ต้องเลือกเพราะว่าโสดาบันนับบอกบีอญญาแล้วถึงไม้ีปิญญาไม่สูงก็ต้องคิดบริญญาคิดว่าเราตายแล้วเราไม่ยอมลงอบายภูมิก็ตัดสัโยาตัวที่สองคือวิจิตกฉา ที่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ทั้งนี้ประวัติเพราะว่า พ, พวกเราที่ไม่จาเป็นต้องตัดเพราะมันนั่งอยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีใครสงสัยแล้วใช่ไหมที่บางคนจะสงสัยคำว่าสงสัยก็หมายความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าดีจริงๆหรือพระธรรมดีจริงหรือไม่พระอริยสงฆ์ดีจริงหรือไม่ พระนี่ต้องคิดถึงพระอาริยสงฆ์นะถ้าเป็นพระสงฆ์โบติอันนี้ไม่แน่นอนไม่ได้ตรงพี่ไม่แน่นะคือ <c oughs> ว่าท่านบวชใหม่ๆที่ว่าบวชนานๆแต่ว่าไม่ได้ฝึกควบคุมจิตอันนี้ก็อาจจะพังพระได้ง่ายไม่ต้องถือพระอาริยสงฆ์ก็ลงความว่าเราก็พิจนารณาได้ว่าพระทั้งสามนี่ดีคนนับถือเราก็ยอมรับนับถือ ก็คิดว่าคนที่มาทุกคนนี่ก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่แล้วจึงมาจะใ น, นข้อนี้ไม่หนักท่านอบบรรดดาท่านพุทธบริษัทก็ถ้าจะคิดเดาๆกันนะว่าในสังโยชน์ทั้งสามที่จะเป็นปโสดาบันสองข้อนี่พวกเราได้แล้วเห็นไหมยัยงมี เ, เรื่องปโสดาปฏิมรัก มักผลนั่นไม่ใช่มักได้นะใครเผลอหยิบไม่ได้นะต่อไปก็ไปฝึกศีลปฏิ บ, ตบัติารมเรื่องศีลค่อยๆระวังเขาเคยทำอย่างผมมากเกินไปเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์จะต้องไม่ทรมานสัตว์ให้เห็นใจว่าเขาก็เราไม่สภาพจิตใจเหมือนกัน เรารักสุขเกรียทุกข์เขาก็รักสุขเกรียทุก์เราไม่ต้องการให้ใครมาทำได้เราเขาก็ไม่ต้องการให้เราทำได้เขาเหมือนกันข้อที่สองไม่รักไม่ขโมยของใครข้อที่สามไม่ยื้อย่างความรักคนอื่นข้อที่สี่ไม่พูดลวนสาวาดข้อที่ห้าไม่ดืม่มธูราลรมีไรถ้าทำได้ตามนี้ทั้งหมดทั้งสามข้อ ถ้าตามหนังสือท่านเรียกว่าพระโสดาบันแต่ว่าทางฝ่ายปฏิบัติยังไม่เรียกว่าพระโสดาบันขัดข้อกันแล้วใช่ไหมแปล ว, ว่าหนังสือที่มักทัานมีแต่ ว, ว่าหนังสือเรียนที่เป็นหลักสูตรไม่มีคือหนังสือเรียนนี้เป็นหลักสูตรอ่อนเกินไปแปลว่ายากไปหน่อยถ้าทําได้ทั้งสามข้อ ทั้งหมดครบถ้วนท่านยังเรียกว่าพระโสดาปฏิมักใช่ไหมอันนี้ต่อไปทําไมจะเป็นพระโสดาปฏิผลในช่วงพระโสดาปฏิมักนี้ียตยเข้าสู่โคตรภูญาณไอ้คําว่าโคตรภูนี่หมายถึงความที่ระหว่างทางด้านนี้เป็นโลกิยะด้านน้นเป็นโลกุตระ พ ม, มิเป็นเอารำดังเล็กๆขาเราครอบทั้งสองข้างขาข้างหนึ่งยืนฝั่งนี้ขี่ข้างหนึ่งยืนฝั่งโน้นอย่างนี้เรียกว่าโคตรภูยานยังไม่ใช่พระโสดาปภิผลต่เมื่อวิกำลังจิตแต่กล้ามีความชุ่มชื่น ม, มีความนิ่ง ม, มนมากขึ้นอารมณ์จิตสบายมากขึ้น หาต้องใส่ลกูกยะก็ยกไปโซลูปุตระอย่างนี้ที่โพสต์ดาบัน <c oughs> ตอนนี้มาพูดกับถึงอารมณ์อารมณ์ของคนที่จะเป็นพระโสดาบันน่ะก็มีอะไรไม่มากส่วนใหญ่จิตมีความสุขความทุกข์ทางร่างกายเป็นเรื่องของด้างกายเป็นของธรรมดาพระโสดาบันยังมีความรักในะระหว่างเพศ พระโสดาบันยังมีความร่ำรวยต้องการความ้ํารวยพระโสดาบันยังมีความโกรธพระโสดาบันยังมีความหลงแต่ว่าทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของสินห้าใช่ไหมไม่เลยสินห้าไปดังนั้นพระโสดาบันยังมีขอไม่หนักข้าหนักเมื่อจิตเข้าถึงโสูงขึถึงโกตระพูยาณ ระหว่างนั้นจิตจะมีความรักเป็นพธัธิภัณฑ์อย่างเดียวต้องการอย่างเดียวคือพันธิภัณฑ์การงานทุกอย่างเราทำํำ <c oughs> ความร่ํารวยเราต้องการความร่ํารวยจะไม่โกงใครใครจะทชนไปสวรรค์ใคระทะชนไปพุทโลกไม่มีความต้องการและจิตเนพัธนธิพัณฑ์อย่างยิ่งทัาน <c oughs> ถ้าบคุคคลใดถ้าได้มโนยิธิคือได้ทิพกุยาน จะดูอธิษฐานากายข้งตนเองว่ามีความสว่างมากสดใสมากที่สังเกตและต่อไปในสว่างที่มีความรักพรนิพพานเป็นปกติท่านจะเรียกว่าโครตรภูยานยังไม่ใช่พระโสดาบันแท้ยังพระโสดาบานันพระโสดาปฏิมักนะไม่ใช่ผลิคผลต่อเมื่อตัดอารมณ์ฝอยโลกิยะได้สุญบ จิตก็เริ่มมีรู้สึกมีแต่ธรรมดาเกิดขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการถูกนินทาว่าร้ายกระทบกระทั่งคาถาที่เราเคยโกรธตอนนี้นเมื่อเป็นวิสุทดาบฏิบุริขนั้นตนแล้วชื่อว่าสัตตังขปุงนะการกระทบกระทั่งตามเดิมมันยังไม่โกรธถ้านหนักกว่านั้นอาจจะมีอยู่บ้าง แต่ความโกรธมีอยู่แต่ไม่ทำร้ายร่างกายใครนี่ไม่รุนแรงนะตรงความว่าถ้าจิตถึงพระโสดาปริผลจิตมีความสุขมากใ ค, าาใครเขาด่าใครเขาดิ้นทาจิตนันก็เฉยทําเฉยไม่นานนักนะจะยัย่วเามากแล้วนะ <c oughs> ยังมีโมโหใช ไ, ไหมโทสะยังมีตอนนี้เราพูดกับพระโสดาท่านสั ต, ตย์ขับตรง ถ้าต่อไปจะเป็นกุลังกุลละขั้นกลางก็เขอไม่ยากมันเยเมื่อจะเป็นประโสดาบัญชั่นกลางจิตก็เพิ่มจะสินห้าเป็นกรรมบทสิทคือจิตมีความละเอียดมากขึ้นมีความอาร ม, ารมณ์เป็นสุขมากขึ้นก็บทสิทธิก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ สามไม่ไปพุทธิในกามที่ทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลในรายเอกศิลหานะทางด้านจิตใจจิตไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจิตไม่คิดทุะรุตไรคือไม่มีไม่มีการจองล้างจองสายใคร ยังมีอารมณ์ความโกรธอยู่บ้างจะเบาบางลงและจิตไม่มีความหลงจะเห็นตรงตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนถ้าขณะใดที่จิตทรงกระมดสิบหรือฝึกกระมดสิอยู่เมื่อฝึกกระมดสิบอยู่ได้แล้วแต่ว่ า, าบรีการต้องระมัดระวังบางครั้งอาจจะเผลอไว้บ้างนิดนิดหน่อย อย่างนี้จะเรียกว่าประสดาบันขั้นสตาขัตรงต่อไปก็เป็นประสดาบันขั้นเอกวิชีขั้นเอกวิชีนี่จิตจะทรงกันบมดสิบโดยไม่ต้องระวังคือไม่ต้องระวังมันจะไม่ละเมิดเลยจิตจะมีความละเอียดมากจิตจะมีความสุขมากมีความเยือกเย็ยนมาก เจอกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็รู้สึกเฉยเฉยมันก็มีความวันวัยยุบ้างเน็กน่อยป็นมีความสุขที่สุดอย่างนี้ท่านเรียวกว่าโสดาบันขั้นเอกวิจีอันนี้ไม่ยากเลยนะยากไหมฉันพูดไม่ยากเดี๋ยวเดียวก็จบแต่ใจ ต, ตอนทำดินะจะสงสัยนะ นีไ่ไเมื่อเป็นพระโสดาบันขั้นเอกวิชีแล้วพระโสดาบันขั้นเอกวิชีนีกับพระสิกขาคารมีมีคุณสมบัติคล้ายขึ้นงกันตัดสัญ ญ, ญาณเดชามันกันพอเข้าถึงเองกวิชีนิจมีความเยือกเย็ยนมากจิตมีความสุขมากแต่ด้วยว่าไอ้ความรักก็ดีความโกรธก็ดี ความหลงก็ดียังมันยังมีความหนาอยู่ต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจนารณาความเป็นจริงของร่างกายคือสกาญาิภิ ก, ก, กิว่าร่างกายของเรามันมีสภาพจะต้องตายด้วยความตายนี่เป็นของธรรมดาแต่ตอนที่จะตายนี่มันก็เริ่มแก่ขึ้นมาทุกวันความแก่เป็นเหตุของความทุกข์ ไม่ได้เหตุคุณความสุขร่างกายมีความเศร้าหมองมากขึ้นทุกวันมีความแรงร่างแรงร่างกายน้อย ล, ง, ล, ง, ล, ง, ลงไปทุกวันมเมื่อความแก่เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามเพราะร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ถนัดให้ช่องแคล่วตามที่ต้องการและอาการในส่วนขณะที่ร่างกายทรงตัวอยู่ก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาแทรกแซง ทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยนั้นเมื่อความป่วยเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดหนักขึ้นต้องคิดว่าธรรมดาเขามันเป็นอย่างนั้นเนี่ก็ต่อไปไปคิดว่าในเมื่อร่างกายมีอยู่การทักท่าเจ้ของรักของชอบใจย่อมมีก็เป็นของธรรมดาและในที่สุดก็มีความตายต่อมาก็คิดมีอารมณ์ ละเอียขึ้นคิดว่าความโลภ ก, ก็ดีความรักก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีแต่ไม่ใช่เป็นคุณเป็นโทษอารมณ์เริ่อตัดให้เบาบางลงไม่หมดนะความรักยังมีอยู่แต่มีความห่วงใยน้อยความอยากรวยยังมีอยู่บ้างแต่ไม่ดิ้นรนเกินไปใจเบามีลมพอ ความโกรธคือไม่ชอบใจมีอยู่บ้างแต่เพียงเล็กน้อยสียขิดทีหน่อยก็หายไปความหลงในร่างกาย <c oughs> ก็ยังมีอยู่บ้างคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ายังมีอยู่แต่คิดว่ามันจะต้องตายอย่างนี้เป็นอารมณ์อของพระสังกิทาคามีไม่อยากเลย ต, ตอนพระโสดาบันที่เป็นเ อ, เนเอกวิชีนี่ เอาตอนนั้นถามพระธเจ้าท่านถามว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรท่านบอกว่าอย่างนี้เขาพระโสดาบาน ล, ละเอียดคือโสดาบานท่านเอกวิธีก็ดีถ้าเสกนทาคามีก็ดีถ้าว่ากัตามแบบต้องตายจากความเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็น เ, เทดวดาหระอนางฟ้าหรือพรหมจากนั้นก็ลงมาเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นพระอาหารหันต ว่าตามแบบนะแต่ว่าถ้าบรรดาท่านผู้บริสัทธในระหว่างนี้จะเป็นระหว่างนี้ระหว่างไหนก็ตามต่อนี้ไปถ้าใครเป็นพระโสดาปฏิมักหรือว่าประโสดาปฏิผลจะเป็นขั้นไหนก็ตามถ้าตายจากความเป็นคนมันก็ไม่ลงอบายภูมิบาป ท, ที่เราทําแล้วแล้วมาทั้งหมด ไม่สามารถจะลงโทษเราได้คือไม่สามารถจะเดึงลงอบายคุมได้จะมีทางเดียวไปเกิดในสุคติมีสวรรค์นี่พรมเป็นต้นฉะนั้นถ้าใครไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีจะเป็นพรก็ตามอีกไม่นานนักประมาณล้านปีเศษมากไหมนี อีกล้านปีเสร็จเสร็พระชัอันก็ตรัสใครไม่เชื่อฉันก็อย่าตายนะค่อยดูต่อไปประมาณอีกหนึ่งล้านปีพระพิอานตรัสถ้าเป็นเทวดาไปทางฟ้าด้เป็นคมได้ฟังเทศจากพระชัอานจบเดียวก็เป็นพระอระหรันต์ตอนี้เราจะเกิดเป็นชาติไหนมึงจะทันอ่ะ ถ้าเป็นเทวดาชช้นจาตุหาราษวันหนึ่งของเขาเท่ากับห้าสิบปีของเราถ้าคิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน12สองเดือนเป็นหนึ่งปีเป็ น, น, ป น, ปนกันเทวดาชช้นจาตุมาราษมีอายุห้าร้อยปีคิดเอา้าใครเป็นนักคณิตศาสตร์บ้างมาคำนวณสิยี่สิบปี ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาหรืดังฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงนี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาถ้่เราสามสิบวันเดือนที่สงเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันถ้าไปเกิดเป็นชั้นยามาชั้นยามาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาชั้นดาษิศรีร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขา ท่านมอร์ดีแปดร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาท่านปริมิโตทวัดดีพันหกร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาใช่ไหมตอนนี้ที่พระสิอานจะมาตรักนับปีในมนุษย์อีกล้านปีเศษเปรถ้าไปเกิดบนสวรรค์ฉันดวาวดึงฉันดวาวดึงนี่มีอายุเต็มพันปีทิพย์ก็มีอายุไม่ถึงสองร้อยปีทิพย์ พระีอ่าก็ตรัสในเมื่อพระสีาณจัดในฐานะที่เราเป็นพระโสดาบดิมักก็ตามพระโสดาบดิผลก็ตามคืออารมณ์ของพระโสดาบันนี่มีความมุ่งมั่นจุดเดียวคือพระนิพพานในเมื่อเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเรือ่องรมไอ้จิตคือก็จิต เ, เดิมเดิมมันก็ต้องการนิพพานตามเดิม โดยเพราะอย่างยิ่งคนที่ฝึกอริญญาได้มโนยุทิ์เนี่ยเรียกกันง่ายก็เรียกว่าอริยาจะได้เข้าใจชัดคําว่ามโนยุทธิแปลว่ามีลิทางใจก็เป็นอริ ญ, ญาเราเคยไปนิพพานได้ถ้าไปเป็นเพนดาเป็นนางฟ้าเป็นกรมก็ไปเที่ยวนิพพานบ่อยๆจิตรักนิพพานแต่ยังไม่มีชีวิตอยู่ ต่อมาในเมื่อพระทอานจัดฟังเทศจบเดียวอาศัยจิตตาคุณโธายก็เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยู่ที่เทวดาหรืออยู่ที่ผมไม่ได้ต้องไปมิพานดีไหมเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ดีเขาไปรวมความว่าขอบรรดาญาโยามพุทธบริษัททุกคนค่อยๆฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญติศินอย่าเร่งรัดเกินไป ถ้าเลี่ยงร้ายเกินไปเป็การทรมานตัวค่อยๆระมัดระวังวันนี้เราตั้งใจว่าจะรักษาสิ้นห้ครบถ้วนนี่เวลาจะนอนก็นั่งนึกนอนนึกคิดว่าตั้งแต่ช้าจนกว่าจะเข้าถึงเวลานอนเราพลาดสิ้ น, นห้าคนไหนบ้างเศ้าเอนพบพลาดเราก็ตั้งใจคี่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมพลาดทั้งหมด อันนี้ถ้าใหม่ๆมันก็พลา ด, ดามันได้เป็นของธรรมดาในเมื่อคุมสินห้าได้ครบเราก็เลยคุมกำหนดสิทธิเพราะสินห้านี้ห้ามวาจาห้ามอย่าพูดปดกำหนดสิทธิก็ห้ามพูดป ด, ดด้วยห้ามพูดคำหยาบด้วยห้ามพูดสอเสียดด้วยห้ามพูดวาจาเหลวไหลด้วยนี่กว่าไปคุมได้กำหนดสิทธิ เฉากรรมวิบบสิทธิฐานด้านจิตใจท่งคุมอีกคือจิตใจจะไม่อยากได้ทรัพสมัยเขาใครโดยไม่ชอบทำแถ้าอาจจะชอบทรัพยินส่วนนั้นจะไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่อยากขโมยถ้าไม่อยากรักขโมยเขานะถ้าจะได้มาก็ซื้อเขาถ้าเขาให้เราก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปแล้วก็จิตใจเบาในความโกรธ จิตใจไม่มีความาคาดมัดร้ายความโกรธมีความโกรธบ้างแต่หายเร็วอีกอย่างหนึ่งด้านจิตใจอารมณ์เชื่อพระพุทธเจ้าตรงไม่ฝ่าฝืนคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อ ว, ว่าก็รู้ความว่าพระอริยเจ้าไม่มีใครโต้แย้งพระพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราระพบของจริงเจ้าที่ขอบรรดาทั้งพุทธวิสัช์ทั้งหมด ทั้งชายทั้งหญิงนะกว่าที่เราจะฝึกกันมาก็าหลายปีจนกระทั่งถึงขั้นพระพุทธเจ้าให้แนะนํำเฉพาะสังโยชนนี่ก็ต้องถือว่าบุคคลเราทั้งหมดมีบารมีดีแล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปที่ผ่านได้ในเมื่อพร้อมมีกําลังพร้อมแล้วก็เรื่องเขาตัดไอ้คําว่าพร้อมหมายความว่าฝึก ม, มีกําลังพอ พอที่จะห้ามหันกิเลสได้บ้างเป็นตอนตอนกิเลสที่ต้องตัดเป็นตอนตอนไปไม่ใช่ตัดทีเดียวหมดเลยพระอรหันต์ถ้าคิดตัดทีเดียวหมดเลยพระอรหันต์เมื่อเป็นของยากหนักไม่ส่วนก็จะไม่ได้อย่างที่เราจะฝึกกระตันธรรดาบอกว่าใช้วิปัสสนาญาญเก้าวิปายาย 9, ัสสนาญาญเก้านี่เมื่อดูกันแล้วก็ตั้งถ้าเขาเริ่มฝึกตั้งแต่พระโสดาบันเลยพระอรหันต์ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันจะหนักใจมากซู่มันไล่เบี้ยตามสังโยชน์ไปได้ตามขั้นตอนว่าตอนนี้เป็นตอนของพระโสดาบันตอนนี้เป็นตอนของพระสีธาคามีเจ้าตอนนี้ก่อนอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเป็นพระโสดาบันก็ดีเป็นพระสีทาคามีก็ดีบาป ท, ทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลแล้วก็สามารถจะเย้ยอบายภูมิได้ ถ้าอบายภูมิทั้งหมดจะเป็นนรกก็ดีทิศไปก็ดีไปอสุรกายก็ดีไปสัตว์ปิฉันก็ดีจะไม่มีสำหรับเราต่อไปเราก็มีความหวังว่าถ้าเราเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เราก็พักที่สวรรค์บ้างพองมัโลกบ้างแล้วก็ใช้เวลาไม่นานไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าในกลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหองค์ ถ้าเสียอนเป็นองค์ที่ห้าของชุดที่หนึ่งเมื่อชุดที่หนึ่งหมดไปแล้วต่อไปชุดที่สองก็มามีพระรามขึ้นต้นมีช่างบาลีไรยกะเป็นองค์สุดท้ายมีห้าองค์เหมือนกันท่านนะถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมก็จะพบพระพุทธเจ้าอย่างน้อยสองสามองค์ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วความที่จะพุทธเจ้า สองสามองค์มาเดียวไปนิพพานก็ให้มันลงมาลกไปเถอะนะมันอยู่ไม่ได้ลงไปนะก็ไป น, น้าบรรดาเจ้าโยมพุทบริษัททั้งหลายฟังอย่างนี้แล้วจะลืมอย่าทิ้งสมาธินะสมาธิที่เราต้องทำแต่อย่าให้เครียดการใช้คำานานี่ไม่จํากัดอย่ใช้ขมาว่าอย่างไงก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้า ในเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ภานาจะภาวนาว่าพุทธโธ ท, ที่เป็นพุทธานุสิตโดยตรงสัมมาหังเป็นพุทธานุสิตโดยตรงอิติสุกโตเป็นศูนย์กลางพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้อา้าไอ้ น, นี่มาบอกหมดเวลาแล้วก็รวมกางว่าสมาธิต้องทำเพื้ไปกลั่สุดอารมณ์แต่เยกเครื่องเมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโบราณอาจารย์ท่านสอนว่าก่อนที่จะตั้งเริ่มต้นทำสมาธิให้นึกถึงนิพพสนาอย่างก่อนเพื่ อ, อนิจยังทุกขังอนาตานะสําหรับพวกเราก็ไม่ต้องเอาตรงเลยก่อนที่จะทําสมาธิไปอย่างอื่นจับอารมณ์ให้ใจเขาออกก่อนภาวนาก็นึกว่ า, า ค, ออความจริงความเกิดมีแล้วมันต้องตายในการนีสสังเราจะไม่สงสัยในคุณลูกเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ เราจะรักษาสิ้นห้าบริหนดเราจะมีพริพานเป็นที่ไปหลังจากนั้นก็ตั้งใจภาวนาตาวอัจฉริยสัยอร บ, บรรดาท่านทั้งหลายไอ้อเพื่อนเวลาตา้ า, ตาสามตัวมาบอ่อยเลิกก็เลยก็นะ